บทภาชณีหญิง293วงเล็บหนึ่งเป็นหญิงวงเล็บสองภิกษุสําคัญว่าเป็นหญิงและมีความกําหนัดวงเล็บสาภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าหญิงต้องอบัตสังฆาทิเศษวงเล็บหนึ่งเป็นหญิงวงเล็บสองภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงสําคัญว่าเป็นบัณฑ์สําคัญว่าเป็นชายสําคัญว่าเป็นสัตยริชานและมีความกําหนัดวงเล็บสาม ภกิกษุกล่าวสรรเสริญการบับรเอความใคร่ของตนต่อหน้าหญิงต้องอบัตทุลใจบรรด์ดดวงเล็บหนึ่งเป็นบรรด์วงเล็บสองภิกษุสําคัญว่าเป็นบรรด์เพราะมีความกําหนัดวงเล็บสภิกษุกล่าวสรรเสริญการบัเรอความใคร่ของตนต่อหน้าบรรด์ต้องอบัตทุลใจวงเล็บหนึ่งเป็นบรรด์วงเล็บสองภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นบรรด์สาคัญว่าเป็นชาย สำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัดวงเล็บสาภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าบรันดอต้องอบัตรทุกกฎใช่วงเล็บหนึ่งเป็นชายวงเล็บสองภิกษุสำคัญว่าเป็นชายไม่แน่ใจว่าเป็นชายสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานสำคัญว่าเป็นหญิงสำคัญว่าเป็นบันดอและมีความกำหนัด วงเล็บสภิกษูกล่าวสรรเส ร, ริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าชายต้องอบัตทุกกฎสัตว์ดิรชานวงเล็บหนึ่งเป็นสัตว์ดิรชานวงเล็บสองพิกษุสําคัญว่าเป็นสัตว์ดิรชานไม่แน่ใจว่าเป็นสัตว์ดิรชานสําคัญว่าเป็นหญิงสําคัญว่าเป็นบรณฑ์สําคัญว่าเป็นชายและมีความกําหนัดวงเล็บสภิกษูกล่าวสรรเส ร, ริญการบำเรอความใคร่ ของตนต่อหน้าสัตว์เดริจฉานต้องอบัตทุกกฎหญิงสองคนวงเล็บหนึ่งเป็นหญิงสองคนวงเล็บสองภิกษุสําคัญว่าเป็นหญิงทั้งสองคนและมีความกําหนัดวงเล็บสภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าหญิงทั้งสองคนต้องอบัตสังฆาทิเศษสองตัววงเล็บหนึ่งเป็นหญิงสองคนวงเล็บสองภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงทั้งสองคน สำคัญว่าเป็นบันดอสำคัญว่าเป็นชายสำคัญว่าเป็นเศรษฐีรชานและมีความกำหนัดวงเล็บสภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้ายิงทั้งสองคนต้องอบัดธุรจัยสองตัวบันดอสสองคนวงเล็บหนึ่งเป็นบันดอสสองคนวงเล็บสองภิกษุสำคัญว่าเป็นบันดอทั้งสองคนและมีความกำหนัดวงเล็บสาม ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าบรรด์ทั้งสองคนต้องอบัตรทุลใจสองตัววงเล็บหนึ่งเป็นบรรด์สองคนวงเล็บสองภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นบรรด์ทั้งสองคนสำคัญว่าเป็นชายสำคัญว่าเป็นสัตว์ยรชานสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัดวงเล็บสภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหนใ้าบรรด์ ทั้งสองคนต้องอบัตทุกกฎสองตัวชายสองคนและสัตว์ยิรชานสองตัววงเล็บหนึ่งเป็นชายสองคนวงเล็บสองภิกษุสําคัญว่าเป็นชายทั้งสองคนวงเล็บหนึ่งสัตยิรชานสองตัววงเล็บสองภิกษุสําคัญว่าเป็นสัตว์ยิรชานทั้งสองตัวไม่แน่ใจสําคัญว่าเป็นหญิงสําคัญว่าเป็นบรรดาสําคัญว่าเป็นชายและมีความกําหนัดวงเล็บสาม ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าสัตว์เดรัจฉานทั้งสองตัวต้องอบัตทุกกฎสองตัวหญิงและบ ร, รัดฑ์วงเล็บหนึ่งเป็นหญิงและบ ร, รัดฑ์วงเลพ 2, พ็บสองภิกษุสําคัญว่าเป็นหญิงทั้งสองคนและมีความกําหนัดวงเลพ 3, พ็บ3ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อนหน้าหญิงและบรัรดฑ์ทั้งสองคนต้องอบัตทุกกฎกับสังฆาธิเศษ วงเล็บหนึ่งเป็นหญิงและบันดอวงเล็บ2ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงและบันดอทั้งสองคนต้องอบัตทุกฎกดกับทุรจใจสำคัญว่าเป็นบรันดอต้องอบัตทุรใจสองตัวสำคัญว่าเป็นชายสำคัญว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานและมีความกำหนัดวงเล็บสภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าหญิงและบรันดอทั้งสองคนต้องอบัตทุกฎกดกับทุลใจ วงเล็บหนึ่งเป็นหญิงและชายวงเล็บสองภิกษุสําคัญว่าเป็นหญิงทั้งสองคนและมีความกําหนัดวงเล็บสภิกษุกล่าวสรรเสริญการบําเรอความใคร่ของตนต่อหน้าหญิงและชายทั้งสองคนต้องอบัตทุกกฎกับสังฆาธิเศษวงเล็บหนึ่งเป็นหญิงและชายวงเล็บสองภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงและชายทั้งสองคนสําคัญว่าเป็นบัณฑเตศสำคัญว่าเป็นชาย สำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานและมีความกำหนัดวงเล็บสภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร้ของตนต่อหน้าหญิงและชายทั้งสองคนต้องอบัตทุกกฎกับทุลใจหญิงและสัตว์ดิรัจฉานวงเล็บหนึ่งเป็นหญิงและสัตว์ดิรัจฉานวงเล็บสองภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้งสองและมีความกำหนัดวงเล็บสาม ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอ ER ความใคร่ของตนต่อหน้าหญิงและสรรัตว์ดิเรกชันทั้งสองต้องอบัตทุ ก, กฎและสังฆาธิเศษวงเล็บหนึ่งเป็นหญิงและสรรัตว์ดิเรกชันวงเล็บสองภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงและสรรัตว์ดิเรกาันทั้งสองสำคัญว่าเป็นบรรณฑ์สำคัญว่าเป็นชายสำคัญว่าเป็นสรรัตว์ดิเรกาันและมีความกำหนัดวงเล็บสภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอ ER ความใคร่ของตน ต่อหน้ายิงและสัตว์ดิจฉานทั้งสองต้องอบัตทุกกฎกับทุนละใจบรรดาและชายวงเล็บหนึ่งเป็นบรรดาและชายวงเล็บสองภิกษุสําคัญว่าเป็นบรรดาทั้งสองคนและมีความกําหนัดวงเล็บ 3. าภิกษุกล่าวสรรเสริญการบาเบอความใคร่ของตนต่อหน้าบรรดาและชายทั้งสองคนต้องอบัตทุกกฎกับทุนละใจวงเล็บหนึ่งเป็นบรรดาและชาย วงเล็บสองภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นบรรดและชายทั้งสองคนสำคัญว่าเป็นชายสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรกชานสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัดวงเล็บสามภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าบรรดและชายทั้งสองคนต้องอวับททุกกฎสองตัวบรรดและสัตว์ดิรกานันวงเล็บหนึ่งเป็นบรรดและสัตว์ดิรกาน วงเล uh, ็บสองภิกษ sí, ุสําคัญว mm ่าเป็นบันเดาะทั้งสองและมีความกําหนัดวงเล็บ 3. าภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าบันเดาะและสัตว์เดรัจฉานทั้งสองต้องอบัตทุกกฎกับทุระใจวงเล็บหนึ่งเป็นบันเดาะและสัตว์เดรัจฉานวงเล็บสองภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นบรรเดะและสัตว์เดรัจฉานทั้งสองสำคัญว่าเป็นชายสําคัญว่าเป็นสัตว์เดรัจฉาน สำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัดวงเล็บสภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าบรนเดาะและสัตว์เดรัจฉานทั้งสองต้องอบัตทุกกฎสองตัววงเล็บหนึ่งเป็นชายและสัตว์เดรัจฉานวงเล็บสองภิกษุสำคัญว่าเป็นชายทั้งสองภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นชายและสัตว์เดรัจฉานสำคัญว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานสำคัญว่าเป็นหญิง